จิตใจไม่เคยตื่นขึ้นมาจิตใจจะหลับจิตใจจะฝันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจะนีไปอยู่ในโลกของความคิดคิดคิดไปเรื่อยๆก็ไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่สามารถจะเห็นความจริงได้เพราะความคิดมันปิดบงังความจริงไปสมัมดต์อย่างเราชอบคิดนะว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่ตายง่ายอะไรเนี่ยในความเป็นจริง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 ถ้าเราต้องการเป็นพระโสดาบันนะเราก็จะต้องละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราให้ได้ถ้าละไม่ได้ก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้นะภาละสักยัติทิฏฐิได้ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็หมดไปนะเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงพระธรรมคืออริยสัจนี่เป็นเรื่องจริงนะพระสงฆ์ก็คือใจของเราซึ่งเดิมเป็นปูทุชนนั่นเองแต่ศึกษาธรรมะจนเข้าใจธรรมะนะจิตใจก็เป็นพระสงฆ์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 ถ้าตามรู้ไปเราถึงจะเห็นความจริงของเขาว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เพราะฉั้นอย่าไปเพ่งเอาอย่าไปใจลอยทุกคนใจลอยตลอดเวลาอย่างที่หลวงพ่อพูดตะกี้ตั้งแต่เกิดจนตายก็มีแต่หลงอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้งั้นให้มาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรนะก็เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่ได้เป็นอย่างอื่น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 ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรมีแต่ความสุขอยู่ในตัวเองอิ่มเอิบเบิกบานสดใสราบซ้าเนะนี่ยชักง่วงแล้วต้องเปลี่ยนเสียงเทศแล้วนแะ <c oughs> ม่เทศทีไรท่าตั้งแต่ต้นจนจบหลวงปู่ดูลท่นสอนนะบอกว่าเวลาแสดงธรรมนะต้องแสดงให้ครบนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเอาให้ได้ให้ครบถึงจะมีอรรถของการฟังของการแสดงธรรม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 โอโหโธสบางคนโกรธอาคาดแค้นหลายปีมาขอขามาทีหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็ขอขามารายวันรายเดือนนะเนันต้องอดทนต่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อความยากลําบากการปฏิบัติธรรมบางทีก็ลําบากเหมือนกั น, นขี้เกียจเนี่ยอยากจะนอนใช่ไหมก็ต้องคอยลุกขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจนนะอะไรเนี้ยก็อดทน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 หาคำตอบเนีกิเลสทุกตัวนะทำหน้าที่อย่างเดียวกันหรือความเบื่อหน่ายทอแท้เกิดขึ้นนะทำให้ขี้เกียจ ด, ดูกายดูใจล่าเลยการปฏิบัตินั้นต้องอดทนนะอดทนต่อสู้ไปขี้เกียจก็ได้แต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกขี้เกียจก็ดูไปนะง่วงเหรอง่วงก็นอนแต่ยังไม่หลับก็ดูไปนะต้องอดทนนะต้องสู้ไม่ใช่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยเสียเวลาวันหนึ่งวันหนึ่ง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 แพ้ยับเยินเพื่ะนัญาติโยมเนี่ยมีผัสสะที่รุนแรงผัสสะที่รุนแรงเนี่ยมันทาร้ายคนซึ่งภาวนาไม่เป็นนาความทุกข์นาการบีบคั้นที่รุนแรงมาให้แต่สำหรับคนที่ภาวนาเป็นรู้หลักของการปฏิบัติแล้วผัสสะที่รุนแรงนั้นแหะคือครูที่สอนธรรมะที่ดีที่สุดนะเพราะว่าเวลามันกระทบอารมณ์นะใจเราจะกระเพื่อมขึ้นมานะ ใจก็เพิ่มขึ้นมาด้วยความดีใจบ้างด้วยความเสียใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างด้วยความสุขบ้างความทุกข์บ้างนะด้วยความโลภความโกรธความหลงบ้างมันกระทบแนละ้วมันกระเทือนกระเทือนขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่กระเทือนขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาขึ้นมานเม้่จะเกิดแล้ดับทั้งสิ้นเลยถ้ามีสติรู้ลงไปก็คือเหมือนคนทํากันบ้านอยู่ทั้งวันทั้งคืนแม่นอนกลางคืนยังต้องคิดใช่ไหมจะทำมาหากินอะไร ล, ลาบากลูกเต้าทํายังไงนะ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 ไม่ค่อยได้หยิบมันยังไงอ่าเออคือมีธรรมะใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดครับอาจารย์มาแล้วก็ไปไม่ต้องทาอะไรพน้านต่อตาใช่ก็รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยดิ้นรนก็อยู่เฉยๆมันก็มาละแล้วมันก็ไปละก็มันก็มีแค่นี้ใช่เราเรียนรู้ปไปเรื่อยนะคนทั่วไปมันก็คลุกอยู่กับโลกคลุกอยู่กับโลกปนเปนอยู่กับโลก พอเราเจริญสติขึ้นมาใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นโลกอยู่ส่วนโลกะโลกนี้ไหลมาไหลไปกิเลสไหลมาไหลไปธรรมะไหลมาไหลไปนะแล้วเราแค่แค่รู้สึกใจเราก็ถอยออกมาจากโลกมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งมันก็ขาดออกจากโลกเนมันเห็นเลยโลกนี้ไร้สาระือสภาวะธรรมทั้งหลายรู้นแต่ไร้สาระไร้สาระเพราะไม่เที่ยงมั่งไร้สาระเพราะเป็นทุกข์บ้างไร้สาระเพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบ้าง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 รู้สึกไหมทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปบมไม่ต้องแทรกแสงนะให้รู้เฉยๆอยาเข้าไปแทรกแสงนะเดี๋ยวนะคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยบังคับแรงไปนมรสมาสรหลวงพ่อเจ้าค่ะก็จะส่งการบ้านก็ช่วงหลังๆรู้สึกว่าตัวเองรูดตัวบ่อยขึ้นแล้วก็จิตชอบไปจม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 ถ้ามันเผลอเพลินไปอยู่ในความว่างๆนี่ไม่เห็นทุกข์นี่บางคนไปสอนกันนะบอกให้ทําจิตอยู่กับความว่างเนี่ยชอบไปอยู่กันตรงนี้เยอะแยะเลยว่างอยู่งั้นได้เป็นปีๆแล้วคิดว่าเป็นพระละหันนะไม่หันหรอกยังหันซ้ายหันขวาอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจารย์ก็ว่าพระราารละหนะันแล้วตีกับสามีเพื่อนๆก็บอกเธอเป็นพระราารละหันแล้วเธอไปตบตีสามีนี่ฉันะตีเป็นกิริยานะ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 หนูไม่แน่ใจว่ามันใครายออกจริงหรือว่าหนูชินกับความเพ่งไปแล้วมันคลายออกนะรู้สึกไหมมันเบามันโล่งเห็นไหมกิเลสมันเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาค่ะถ้าเป็นนิ่งๆอยู่นะทั้งวันกิเลสไม่เกิดหรอกงั้นนิ่งๆอยู่งั้นนะ่ะกลายเป็นว่าเราเป็นคนดีละค่ะไม่ดีจริงนะอย่างนั้น <c oughs> เขาเรียกว่าหินทับญยาวอ่าไม่ทราบหลวงพ่อมีกันบ้านจะให้ไปดูอะไรหรือทำอะไรเพิ่มเลยปะรู้ปัจจุบันเอง รู้กลรู้ใจลงปัจจุบันไปรู้ไปเรื่อยรู้แล้วไม่แทรกแสงรู้แล้วจบลงที่รู้นะไปฝึกเอาแตวตอนนี้มาถูกทางแล้วใช่ไหมถูกสิมาสาลาลุงชินได้ก็ใช้ได้แล้วกรบนมัตสการนะคะเนื่องจากจมเองมาวันแรกแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะมาได้รู้จักกับหลวงพ่อค่ะเพราะได้ฟังซีดีแล้ว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 ใช่ไ้มคะทีนี้ตัวเองเนี่ยบริกรรมอยู่ว่าพองยุบพองยุบนะคะแต่ว่าจะจะตามดูรู้อยู่ตลอดเวลาในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น mm hmm. ถ้ามีเสียงมามาสัมผัสที่ mm hmm. หูก็จะบอกว่ายินหนอ mm hmm. ทีนี้ไม่แน่ใจว่าคำบริกรรมเนี่ยควรจะมีไหมในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยคะ่ะงงะคะ่ะคือในเบื้องต้นนะจะบริกรรมไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่พอขึ้นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยจะต้องไม่มีคาบริกรรม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 ถ้าโกรธหนอโกรธหนอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หายโกรธนั่นคือสมถะถึงไม่บริกรรมว่าโกรธหนอนะไปท่องสูตรคูณแทนสองหนึ่งสองสองสองสี่ก็หายโกรธเท่าๆกันนั่นแหละเพราะมันคือสมถะงั้นหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะให้ได้ถ้ารู้สภาวะไม่ได้ในะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงหลวงพ่อค่ข้อที่สองนะคะที่อยากจะถามอยู่สองข้อคะ่ะคือเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยฮะว่าถ้าเราทานอาหารเจนะคะ เราถือว่าเราเบียดเบียนสัตว์หรือไม่คะเราควรจะหันมาทานอาหารเจหรือมังสวิรัติไหมอะคะเจกับมังสวิรัติมันแยกกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อไม่เข้าใจกินผักน่าที่สัตว์นะคะไม่ทานเนื้อสัตว์นอไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์นะถ้าไม่ทานแล้วสุขภาพดีก็อย่าไปทานมันจริงๆเราไม่ได้กินสัตว์นะเรากินวัตถุ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 อ่านหนังสือของหลวงพ่อรวกทั้งฟังซีดีด้วยแล้วก็ลองปฏิบัติตามรู้สึกว่ า, าวันก็ได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดีเลยไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าดีซีดีนะถ้าถ้าโยมภาวนาแล้วดีทุกวันยังไม่ดีแน่เลยโยมเห็นไหมว่ามันจเจริญแล้วเสือเ่อมเจริญแล้วเสื่อมนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อท่านอาจารย์สิงห์ทองอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยภาวนาเก่งนะ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 ทุรนทุรายขึ้นมามันจะเสื่อมนานหลายเดือนบางคนเสื่อมเป็นปีเลยแต่บางคนใจถึงเห็นว่าวันนี้ไม่มีสติเลยก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีสตินใจเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานในฉับพรันนั้นเลยนะอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกลางไหมถ้าใจเราเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะนะมันไม่เจริญไม่เสื่อมอะดีนะโยมภาวนาดีดีใจด้วย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 หรือลวงปู่ดุลนาสอนอะไรนะสอนเหมือนกับชี้แลนด์มาร์เท่านั้นน่ะไม่บอกวิธีไปอ่ะชี้ mm hmm. เป้าต่อไปมันอยู่ตรงนู้นที่ชี้เป้าทีเดียวพรวดสุดท้ายเลยหลวงปู่ดุลดาทางให้คลำเอาเองคราที่แล้วไปหาที่สนเศรษธรรมมะครับแล้วหลวงพ่อให้ดูสามอย่างซึ่งตอนนั้นก็ฟังไม่แน่ชัดว่าคือคือสามอย่างอะไร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 แล้วแล้วมันมีเหตุบางอย่างที่สงสัยอยู่อะครเลยเล้วแล้วมันยัหาคําตอบในบางอย่างเหมือนกับเหตุการณ์บางอย่างมันจิตมันมันบอกให้ไปเองไอ้ไปตรงนั้นให้ไปตรงนี้แล้วบางอย่างมันเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันมันจาเป็นต้องไปยังไงประมาณนี้ยก็อย่าไปเชื่อมันใช้เหตุผลเอาถ้าเหมือนกับบางอย่างเหมือนกับตัดสินใจแต่เราไม่อยากไปอะครับอืมมันจะเลิกบอกสัต่งเราดูเหตุผลนะใช้เหตุผลเอา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 จะวางจิตวางใจตรงไหนคะจิตใจมันเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นแล้วตามดูไปนะอย่าไปปฏิเสธมันแล้วอย่างนี้ง่วงก็หลับไปได้啊ะคะ่ะได้ถ้าร่างกายต้องการพักผ่อนก็หลับไปนะมีอาจารย์เซนสอนนะบอกว่าถ้าง่วงก็นอนถ้าหิวก็กินฟังแล้วดูไร้อนาคตนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าง่วงก็นอนถ้าหิวก็กินยท่านไม่ได้บอกว่าถ้าขี้เกียจก็นอนใช่ไหมถ้าตะกระก็กินท่านไม่ได้สอนอย่างนั้น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 ถ้ามันไม่กวนมันเป็นเท่ารหันนะเพราะฉะนั้นจิตเรามันยังมีอวิชชายอยู่<ะ>พอตื่นปั๊บเนี่ยพอเราไม่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอพอตื่นปั๊บเนี่ยจิตต้องวิ่งหางานทําละ้วนี่ถ้าสําหรับผู้ปฏิบัติพอตื่นะจะรีบกวนหาจิตไว้ก่อนจะไว้ดูนกวนหรือพอตื่นขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงเนี่ยจะจงใจดูห้ามไม่ได้หรอกแค่แค่รู้ทัน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 ไปดูเอานะเจ้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค eh ่ะใจซึมนิดหน่อยใจยังซึมอยู่ดูออกไหมหมดแล้วใช่ไหมเนี๋ยได้เลิกอ้อว่าไปนมาสการค่ะอาจารย์นะคะไหนไหนอยู่ไหนคือคือขอบค่ะ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 ผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วะไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเพราะดีก็ไม่เที่ยงกลับขอบพระคุณค่ะต้องมีอะไรแก้ไขไหมคะพระอาจารย์แบบจะมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะไม่แก้สินะแต่จัด ก, การกับความคิดที่ว่าทํายังไงแล้วจะดี่คะคทํายังไงก็ไม่ดีจำไว้น ะ, ะว่าทําก็คือปรุงแต่งถ้ารู้ทันความปรุงแต่งถึงจะดีค่ะขอบพระคุณ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 อทำเหมือนหลับก่อนครับคล้ายๆกับเกือบหลับแล้วหรือ๋อต้องหลับแล้วเหรอคือติดมันเหมือนกับเกือบหลับนะครับอ๋อพยายามรู้สึกอยู่ปกตินะพยายามแล้วแบบที่สามคือแบบที่สามคือใช้ชีวิตจำบันก็คือดูริมฝีปากดูแม่กระดูการกระพือของที่หน้าปากหรือปลายจมูกครับเลยลองทําให้หลวงพ่อดูซิแบบที่สามเนี่ยจงใจแบบที่สามคือจงใจคือแบบที่หนึ่งครับคือใช้แบบที่หนึ่งแต่แบบที่สองเดี๋ยวทําดูครับพยายามรู้สึก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 มันเหมือนมีตัวเองพูดขึ้นมาว่าหนูหลงดูอยู่ อ, ะ อ, อ่ะอนั่นแหะเห็นไหมจิตมันเริ่มฉลาดแนละ้วเหมืนเริ่มสอนแล้วแล้วหลงนะใช่หนูก็รู้สึกตัวแล้วก็เห็นอาการที่ตัวเองหลงอะคะ่ะ อ, อถ้าอย่างนั้นใช้ได้เลยแล้วอย่างนี้คือคือหนูก็เลยลืมตาไม่ไม่ดูต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าเออนี่หลงนี่หนู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 ต้องทำสมถะด้วยใช่ไหมคะถึง<ำ>จะดีกว่านี้คือทำได้ก็ควรทำนะแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่แน่ใจวราไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยเดี๋ยวจะนั่งไปดูอะไรต่ออะไรยุ่งใหญ่ <ขอ S 2> เพราะฉะ <ขอ S 2> นั้น <ขอ S 2> พยายามพุทธโธไวก็ได้พุทธโธมันไม่มีนิมิต <ขอ S 2> พุทธโธ <ขอ S 2> พุทธโธพุทธโธพุทธโธนะเวลาใจฟุ้งซ่านก็พุทธโธเร็วๆใจสงบใจสบายแล้วก็พุทโธช้าๆกราบนมัสการครับอาการสมถะวสี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 เห็นการบังคับไม่ได้บางทีจิตก็ไปทําสมถะไปนิ่งไปว่างอยู่จะพลิกไปคลิกมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะมีหลายแนวทางที่พระนอนท่านบอกอันนึงใช้ใช้สมาธินําปัญญาอันนี้อย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำทำสมาธินะแล้วมาเจริญปัญญารู้กายไปอีกอันนึงใช้ปัญญานําสมาธิคือจิตใจของเราเป็นยังไงเรามีสติตามรู้ไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลัง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 ตรงจิตไหลรวมอะฮะขอนิดเดียวมันรวมเองรวมเองได้มันมันไม่หล่นวูบลงไปนะมันจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายเลยไม่ใช่วูบหมดสติอย่างนี้ไม่ได้นะหล่นวูบแต่เป็นแน่นฮะหล่นวูบแต่เป็นแน่นเหมือนไปอ๋อไม่ไม่ใช่รวมจริงเป็นสมถะอ๋อไม่ไม่ใช่สมถะที่ดีนะสมถะที่ดีรวมลงไปแล้วมีความสงบความสุขความโปร่งลงเบาสบายถ้ารวมแล้วเนี่ยอย่างนี้ไปอัดไหมอย่างนี้ไม่เรียกว่าจิตรวม เรียกว่าเราไปรวมจิตมากกว่าไปรวมอัดเข้าม า, เ, าเชิญค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดเจริญสติทั้งวันหรือว่าโดยเฉพาะก่อนนอนนะคะเพอตอนนอนจะเห็นว่าเวลาขยับตัวก็จะรู้ตัวค่ะเหมือนจะจิตจะตื่นทั้งคืนอย่างนั้นนะคะถูกแล้วหละ่ะภาวนาแล้วเราจะรู้กายรู้ใจนะรู้ทั้งวันทั้งคืนที่สําคัญนะรู้ทั้งหลับทั้งตื่นด้วยค่ะแล้วก็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 เมื่อจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายแล้วจิตไม่ปรุงต่อพอความปรุงแต่งนั้นดับลงไปแล้วจิตไม่ได้ปรุงต่อเนี่ยนมันจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งที่เห็นนิพพานใช้เวลาสมควรครับ<笑><笑>จะขอเป็นตัวแทนญาติโยมในที่นี้นะครับ อ, อนำถวายทานแด่พระจารย์นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย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 อิชิตังปจิตังจุมหังคิปเมวาสมิจชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโดปนณรโสยะธามณีโชติลาโสยะ ธ, ธ, ธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินาสตุมาเตปวัตวันตรารโยสุขีทีขาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวทันติอายุวรนโนสุขขังภะลัง